อ่าหมดประเด็นแล้วจะไม่ได้ตอบคืออย่างนี้ในพระศาสนาเนี่ยมีคําสอนของพระเจ้าพูดถึงในเรื่องของลัทธิลัทธินี่แปลว่าความเชื่อความเชื่อมันมีจะมีสามประเด็นหรือหนึ่งความเชื่อสองความเห็นสามความรู้เนาะโดยส่วนใหญ่สัตว์โลกเนี่ยจะมีอยู่แค่ได้แค่สองประเด็นคือเชื่อกับเห็นเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แต่โดยมากการที่จะเข้าถึงความรู้หรือความจริง น, นั้นนี่ระดับหนึ่ง คนที่จะเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะได้อย่างแท้จริงนั้นนั่นต้องพัฒนาจากความเชื่อผ่านไปสู่ความเห็นและโดยเฉพาะเข้าถึงความจริงความรู้นั้นถึงจะเป็นพุท ธ, ธะอย่างแท้จริงที่นี้ในทัศนคติมุมมองในโลกใบ น, นี้พระพุทธเจ้าแบ่งทิฏฐิลทัทธิหรือความเห็นไวเนนนาา้เนี่ยสาลัทธิในรรดาสลัทธิเนี่ยหลัทธิแรกนั้นน่ะบาลีท่านใช้คําว่าปุเพกตาเหตุวะทะ คำว่าปุเพกตาเหตุตัวท่าเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าลัทธิเชื่อกรรมเก่าเห็นว่ากรรมเก่าฉะนั้นที่เราได้รับสุขได้รับทุกข์ได้สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากดีใจเสียใจที่เราได้รับในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยโยนไปให้กรรมเก่าเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์นี่ลัทธิประเภทนี้ฉะนั้นพอได้รับความสุขความทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากปุ๊บอ๋อมันเป็นกรรมของเรา เห็นว่าเป็นกรรมเก่าฉะนั้นรัฐที่นี่ก็เลยว่าชดใช้ไปแล้วก็ชดใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะหมดนี่นิคิดอย่างนี้มีประการที่1ประการที่2องก็เรียกอิสระนิมานวะทัิฐิกลุ่มนี้เชื่อเทพเจ้าฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากทั้งหลายดีใจเสียใจเนี่ยที่ได้รับความสุขทุกข์ทั้งหลายที่ได้รับปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะมีเทพเจ้าหรือมีผู้ยิ่งใหญ่ดลบรรดาลให้เราได้รับสุขและได้รับทุกข์สมหวังหรือผิดหวัง ฉะนันที่เราได้รับกันอยู่ทุกวันนี้มีเทพที่มีอํานาจมีอนุภาพเป็นผู้คอยกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่กําหนดชี้ชะตาให้เราได้รับนี่เขาเรียกอิสรานิมาณวาฒนกลุ่มที่สามเขาเรียกอ ม, มกลมุมไอเหตุกาวาทนทิฐิพวกนี้ปฏิเสธเหตุว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาสมหวังผิดหวังได้ดีตกยาก ได้ลาบเสืม่มลาบได้ยอดเสริยมยอดนินทาสรดเสริญสุขทุกข์กที่เราได้รับในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเหตุปจัจจัยเรามันเกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญบ้างเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาบ้างเกี่ยวกันในเรื่องของไอ้ดวงดาวบนท้องฟ้าที่มันหมุนมาโครจรมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เราได้รับอิทธิพลสิ่งต่างๆ่างตรงนี้จึงจึงทําให้เราได้รับสุขและทุกข์เป็นต้นมันมีสามลทัทธิเนี่ยบรรดาสามลทัทธิให้สังเกตดูนะพ่อธบริษัทโดยมากติดลทัทธิไหนลทัทธิแรก เออและที่แรกก็คือกลุ่มนิรกรรมเก่านั้นที่เราได้ดีใจเสียใจเรียกได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกขสมหวังผิดหวังเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่เราทําไว้ในอดีตไม่ใช่กรรมในปัจจุบันปฏิเสธเห็นไหมปฏิเสธกรรมปัจจุบันแต่ยอมรับกรรมในอดีตรัที่เนี่ยมไปตรงกับใครไปตรงกับพวกนิครนนาตบุตร กมนิครนหน้าตบุตรทำไมเขาจึงบําเพ็ญทกการกิริยาเขาจึงต้องทรมานตนเองเขาถือว่าเขาชดใช้กรรมเก่าพระประมา ศ, าศาสดาคเคยไปเจอแล้วไปสอบถามบอกว่า เ, อาเธอทําอย่างนี้ทําไมบอกชดใช้กรรมเก่าพระเจ้าก็ถามบอกว่าในชาติที่แล้วเธอไปทําปณิบิบาตมาใช่ไหมไม่รู้ไปทําอาธินนาทานมาใช่ไหมไปรักทรัพมาใช่ไหมไม่ทราบ ไปทําการเร ม, มีสมิชาจารย์มาใช่ไหมไม่รู้ไปพูดเท็จมาไหมไปพูดส่อเสียดมาพูดคำหยาพูดเฟิร์เจอร์ไปทําบาปกับศัลยกรรมมันชั่วร้ายอะไรมาไม่รู้แล้วรู้ไมกับกรรมที่ชดใช้เนะ่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ไม่ทราบ <c ười> เห็นไหมมันตอบไม่ได้หมดเลยเนี่ยหลักการตัวนี้ก็เรียกว่าทําด้วยความเชื่อด้วยความเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยทําทําแล้วก็ย้อมใจตัวเองว่าคิดว่าอย่างเนี้ยมันจะโอเคแล้วก็ทําไป ทีนี้อันต่างจากพุทธศาสนาตรงไหนให้สังเกตด้วยนะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เพ่งไปที่กรรมในอดีตยอย่างเดียวมองถึงกรรมในปัจจุบันด้วยคือว่ากรรมเนี่ยกรรมในอดีตก็มีกรรมในปัจจุบันก็มีไม่ใช่ไปโทษกรรมอดีตโดยไม่เข้าใจเหตุและผลอยยังยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราประสบปัญหาอย่างเนี้ยทาไมเรามาเจอคนที่มา มาโกงเรามาหลอกลวงเราตลอดอย่างเงี้ยถ้าเราไปมองโยนไปให้กรรมในอดีตมันก็จะละเลยในกรรมในปัจจุบันมันต้องดูว่าในปัจจุบันเนี่ยเราที่เราต้องเจอคนลักษณะแบบเนี้ยมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราขาดวิจารณญาณในการพิจารณาบุคคลที่เรารับเข้ามาหรือไม่ให้พุทธ้าให้มองปัจจุบันเหตุนี ฉะนั้นในถ้าเราไปคิดว่าทุกอย่างเป็นไปที่กรรมเก่าเราก็ละเลยในปัจจุบันเมื่อเราละเลยปัจจุบันนะเราก็โยนทุกอย่างให้กับกรรมในอดีตทั้งหมดเมื่อโยนทุกอย่างให้กรรมในอดีตทั้งหมดก็เลยเป็นลทัทธิงอมืองอเท้าเช่นฉันเกิดมาเป็นขอทานฉันก็ต้องเป็นขอทานว่ากรรมเก่าในอดีตเนี่ยทำให้ฉันเป็นขอทานฉันไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากขอทานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ เออฉันเป็นคนที่เกิดในฉันไปเกิดเป็นชาวนาฉันก็ต้องเป็นชาวนาตลอดสิเพราะกรรมเก่าทําให้ฉันเป็นชาวนาฉันจะเปลี่ย น, นจากชาวนามาเป็นชาวสวนไม่ได้เปลี่ยนจากชาวสวนมาเป็นค้าขายไม่ได้จากค้าขายมอไซค์มาค้าขายรถยนต์ไม่ได้มันก็เลยจําอยู่ตรงนั้นแหละพราะไปเข้าใจว่ากรรมเก่าในอดีตส่งผลมาอย่างนี้อ๋อเราต้องมาทนอยู่กับคนแบบเนี้สามีที่ขี้เหล้าเมายาภรรยาที่นอกใจอย่างนี้ฉันก็ต้องทนอยู่กับมันชดใช้กรรมมันไป เพราะชาติที่แล้วเนี่ยเราเราไปทํากรรมอะไรไว้ก็เลยไปดักดานอยู่อย่างนี้เข้าใจยังนี่เพราะความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงก็เลยไปโยนโยนกรรมไปโยนโยนเหตุไปในอดีตแต่ไม่พิจารณาเหตุในปัจจุบันว่าเหตุปัจจุบันนั้นเราทําได้ถูกต้องไหมนะพระเจ้าบอกหนึ่งถ้าคนที่โยนปัญหาทั้งหลายไปให้กรรมในอดีตก็เลยละทิ้งความเพียรในปัจจุบันไม่แกล้งกล้าอาถารพในปัจจุบัน เลยละทิ้งปัญญาในปัจจุบันละทิ้งฉันทาคือใจใรักไปรักไปรู้ใยเรียนไปศึกษาในปัจจุบันก็เลยละเลยก็เลยประมาทเห็น <imizi S 1> ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่จะทําให้เราได้รับสุขได้รับทุกนั้นไม่ใช่ชวะกรรมในอดีตเดียวกรรมปัจจุบันด้วยเพราะเราทําปัจจุบันผิดพลาดหรือเปล่าต้องมาพิจารณามุ่ยใจอีกทีไม่ใช่โยนทั้งหมดไปให้กรรมในอดีตอันนี้ก็รักเสียหนึ่งอย่างนะเสียไอเสีย ย้อนในอดีตมันถูกส่วนเดียวไงแต่ปัจจุบันละเลยเราเลยไม่แก้ไขในปัจจุบันแทนที่จะแก้ไขเราก็เจอคนเข้ามาในชีวิตของเราก็เลยไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่พิจารณาดูว่าคนประเภทนี้เขาจะสามารถมาอยู่แล้วก็จะทำความสุขให้เกิดขึ้นในในบ้านเช่าที่เราให้เช่าอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการ สอบถามเขามีอาชีพอะไรทําการงานอะไรมีสถานการณ์เงินการทองอย่างไรสามารถจะผ่อนบ้านได้หรือจะสามารถที่จะใช้จ่ายค่าเช่าบ้านได้หรือไม่เรากลับไม่ไปสืบสาวประวัติหรือหรือชักเลยเกี่ยวกับตรวจสอบในเรื่องประวัติความเป็นอยู่ของเขาทัศนคติมุมมองความเชื่อของเขาขเขาเป็นคนมีโทนนิสัยอย่างไรเลยละเลยฉันทะในปัจจุบันความเพียรในปัจจุบันปัญญาในปัจจุบันที่เราจะวิจัยแยกแยะ พอมันผิดพลาดขึ้นมาเราก็เลยโยนไปในกรรมอดีตโยนในกรรมบัณตกรณนี้อย่างนี้เขาเรียกประมาทในปัจจุบันนั้นต่อไปไปแก้ไขใหม่ถ้าจะเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องก็คือว่ากรรมในอดีตก็มีผลแต่ปัจจุบันนั้นสําคัญกว่าแก้ไขในปัจจุบันโดยการตรวจสอบวิจัยแยกแยะในปัจจุบันให้ชัดและเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผิดพลาดโดยมากเป็นกรรมในปัจจุบันเพราะเราไม่ฉลาดในปัจจุบันไม่แยกแยะไมว่วิจัยแยกแยะรับแต่พื้นผือเข้าใจย่าง อ๋อเพราะเรารับมาโดยไม่ได้พิจารณานี่เองบางที โ, โหความอยากให้ห้องมันเต็มเต็มเต็มเต็มเตมว่าวพอรับก็มาแบบเสร็จปัญหาเลยแต่เนี่ยตามมาน่ยไม่ได้พิจารณา โ, โหตายแล้วคนแบบเนี้ยบางทีไปเช่าบ้านใครก็มีปัญหามาตลอดก็แสดงไอค้คนคนเนี้ใช่ไหมไปอยู่กับคนนั้นแสดงคนนั้นก็มีกรรมในอดีตไม่ดีทั้งนั้นสิเพราะแท้จริงเป็นโทนนี่สัยคนคนนี้แบบนี้มีอุปนิสัยอย่างนี้ บางทีเราก็เห็นอยู่ว่าเขายากจนเขาอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นมันไม่ตรงนั้นประเด็นว่าเขามีศักยภาพเพียงพอไหมถ้าเราจะอนุเคราะห์ก็อนุเคราะห์แต่อย่าไปโทษกรรมแนอดิดถ้าจะอนุเคราะห์ด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาด้วยศักยภาพที่เราจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยแต่ถ้าดูแล้วถ้าช่วยแล้วเนี่ยมันจะสร้างปัญหาตามมาก็บอกไม่ช่วยแล้วก็ต้องวางใจเป็นกลางว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเข้าใจใช่ไหม หลักการตรงนี้ก็ต้องชัดเจนประการที่สองอิสระนิมานวาทะนี่เสียหายสองอย่างหนึ่งอดีตก็ไม่มีเทพเจ้าจริงๆที่มาดนบันดาลให้ได้จริงไม่มีเทพเจ้าตนไหนดนบันดาลได้จริงเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะพระพรมเนี่ย พ, พระพรหมที่สามบดี พ, พรมที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย พ, พรหมท่านพูดเองว่าท่านไม่ใช่ประกาศกท่านไม่ใช่ผู้สร้างท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรมก็ดี จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีจะไปเกิดเป็นยักษ์ก็ดีจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทั้งหลายแม้เป็นสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยไม่มีคนสร้างกรรมคือสัตว์ทําเองเมื่อสัตว์นั้นทํากายทโสจิตวจีทสจิตมโนทสจิตก็ลงอบายโทติวิบัตินรกถ้าสัตว์นั้นทํากายยสุดจิตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระริยเจ้าก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าสัตว์นั้นเจริญฌานสมาบัติก็ไปเกิดเป็นพรมตามชัดพรมิต่างๆ ดันั้นสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตไม่มีผู้ดนบันดาลไม่มีผู้สร้างใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้นี่คือห ล, หลักหลักความจริงเป็นอย่างนี้แต่ความเห็นของมนุษย์ก็ว่ากันไปหนึ่งไม่มีผู้สร้างนี่เข้าใจผิดประการที่สองสองก็ประมาทนะสองก็คือประมาทอีกประมาทในลักษณะเพราะอไปสําคัญมีผู้สร้างก็เลยงอมืองอเท้าถือว่าเดี๋ยวเทพเจ้าก็ดนบันดาลพระพรก็ดนบันดาลพระเจ้าก็นดนบันดาล เดี๋ยวเราจะรวยก็ดีจะสุขจะทุกข์จะสมหวังผิดหวังเดี๋ยวมีเทพเจ้าเราอ้อนวอนเพื่อจะฟือเถอะเดี๋ยวก็จะดลบันดไดเราสมหวังก็เลยผิดสองอย่างเลยไหมเนี่ยหนึ่งไม่มีคนดลบันดาลได้จริงสองประมาทก็อีกเสียหายสองอย่างส่วนประการที่สามเสียหายหมดทั้งทุกอย่างเลยนะพวกอเหตุการณ์วาทเนี่ยพวกนี้ไม่เชื่อเหตุปฏิเสธเหตุปัจจัยสําคัญว่าเกิดขึ้นลอยไปสําคัญว่าดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างใช่ไโชคชะตาบ้าง บางทีมันจะสุกก็สุขเองจะทุกก็ทุกเองมันเป็นเหตุบังเอิญซึ่งมันมีอยู่จริงในโลกใบนี้เนี่ยทิฐิที่ทททน่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายนี้ในพุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนี้พุทธศาสนาปฏิเสธสองสามลทัทธินี้ฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าชาวพุทธในบ้านเราในคนไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกเชื่อกรรนิดดีอย่างเดียวแล้วก็เลยยอมจำนนถามว่าเออในท่านถามทาไม แสดงว่าชาติที่แล้วนิยมทำกรรมไม่ดีมาเยอะถามทำไมเนี่ยต้องยอมชดใช้กับสามีขี้เล่าเนี่ยต้องทนใช้มันไปหวังงั้นนะเธอถามบอกว่าเนี่ยยอมต้องชดใช้กรรมเก่าเธอถามว่าชดใช้มากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแล้วจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้เห็นหัหยตอบอยังไม่รู้แ ท, ที้จริงไม่ใช่เพราะความไม่รู้ของมนุษย์ก็เลยไปโทษกรรมในอดีตพะมองเห็นนี่ยัง ชัดเจนไหมมีใครจะถามอะไรไหมเอาใกล้จะหมดเวลาแล้ว